เมื่อเกย์ในตอนที่เดินมาที่ศาลาเห็นหนังสือธรรมจากใจของน้องตาก็เลยทำให้นึกถึงคำพูดว่าธรรมของพระพุทธเจ้านี้ต้องเป็นธรรมที่ถ่ายทอดจากใจถึงใจถึงจะเป็นธรรมแท้ธรรมที่จดจำมานี้ ยังไม่ถือว่าเป็นธรรมแท้เพราะยังไม่สามารถใช้ดับความทุกข์ดับกิเลสตัณหาได้ต้องเป็นธรรมะที่มีอยู่ในใจถึงจะสามารถดับกิเลสตัณหาดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจ เช่นเดียวกันเวลาที่เราได้ยินได้ฟังทำเวลาที่เราได้อ่านหนังสือทำทำเหล่านี้ยังเป็นสัญญาอย่างเป็นความจํายังไม่เข้าไปถึงใจกิเลสตัณหาความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราจึงยังไม่ได้ดับไป เพราะเรายัางไม่ได้นำธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ถูกถอนออกมาจากพระทัยของพระพุทธเจ้าออกมาจากใจของพระสาวกทั้งหลายเข้าไปสู่ในใจของพวกเรานั่นเองเพราะการที่จะนำธรรมะเข้าไปสู่ในใจได้ต้องเกิดจากการปฏิบัติ จิตตภาวนาเท่านั้นถ้าไม่บาเพ็ญจิตตภาวนาไม่เจริญสมถัปภาวนาไม่เจริญวิปัสนาภาวนาธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดจากพระไทยของพระพุทธเจ้าและของพระสาวกทั้งหลายยังไม่ได้เป็นธรรมแท้สำหรับผู้ฟังอย่างพวกเรา แต่ถ้าเราไป <c oughs> บำเพ็ญไปเจริญส ม, มถาภาวนาทําใจให้สงบดึงใจให้กลับเข้าสู่ใจตอนนี้ใจของพวกเราที่ยังไม่สงบนี้ยังไม่ได้กลับบ้านยังไม่ได้เข้าไปข้างในยังอยู่ข้างนอกอยู่อยู่กับรูปเสียงกิ่นรสโผฏฐา ส่วนกิเลสตัณหาความทุกข์นั้นมันอยู่ในใจเราจึงไม่สามารถที่จะดับกิเลสตัณหาดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของเราได้เพราะเราอยู่ข้างนอกเหมือนกับเราอยู่ข้างนอกบ้านส่วนขโมยอยู่ข้างในบ้านเราไม่สามารถขโมฆ่า ข, าขาโมย ขณะที่เราอยู่นอกบ้านได้เช่นตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่ตอนนี้อาจจะมีขโมยขึ้นบ้านเราก็ได้แล้วเราก็จะไม่สามารถทำอะไรกับขโมยได้เพราะเราไม่เคยกลับเข้าไปในบ้านของเราดังนั้นเราต้องเข้าบ้านของเราคือเข้าเข้าไปในใจของเราตอนนี้ใจของเราออกมาทาง รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะออกมาทางรูปเลทนาสัญญาสังขารวิญญาณใจไม่ได้เข้าไปข้างในไม่ได้เข้าไปสู่ผู้รู้ผู้สัพว์แต่ว่ารู้ไม่ได้อยู่ที่ฐานอยู่ที่บ้านคืออุเบกขาอยู่ที่ความสงบอย่างนั้นถ้าเราไม่ได้ <c oughs> นำใจของเรากลับเข้าไปสู่บ้านของเราเราจะไม่มีวันที่จะฆ่าตัณหาฆ่ากิเลสที่มีอยู่ในใจอยู่ในบ้านของเราที่คอยสร้างความทุกข์ให้กับพวกเราอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือความเป็นจริงของพวกเราในขณะนี้ ใจของลวกเรายัางไม่ได้กลับบ้านยังไม่ได้เข้าข้างในยังอยู่ข้างนอกอยู่ยังอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพะยังอยู่กับลาบยศสรรเสริญยังอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอนู่เลยไม่มีความสามารถที่จะข้าตัณหาดับความทุกข์ ที่มีอยู่ภายในใจได้ดังนั้นใครก็ตามที่คิดว่าการปฏิบัตินี้ไม่ต้องเจริญสมถะภาวนาก็เป็นคนที่เรียกว่ามีมิจฉาทิจิมีความเห็นผิดเป็นชอบเพราะถ้าไม่ต้องภาวนาสมถะภาวนาแล้วพระพุทธเจ้าจะมาทรงสอนให้ ภาวนากันทำไมทำไมไม่สอนแต่วิปัสนาภาวนาไปเลยเพียงอย่างเดียวทำไมต้องมาพูดถึงเรื่องสมถัตภาวนาทำไมถึงต้องมาพูดถึงเรื่องสัมมาสติสัมมาสมาธิอย่างนั้นพวกเราระมัดระวังไว้สมัยนี้ยุคนี้จะมีคำสอนที่เพี้ยนออกจากคำสอนของพระพุทธเจ้า ไได้ยินว่าเดี๋ยวนี้มีการปฏิบัติแบบไม่ต้องนั่งสมาธิกันบรรลุธรรมโดยไม่ต้องนั่งสมาธิกันคนที่ไม่ชอบนั่งสมาธิพอได้ยินเข้าก็ดีใจเพียงแต่คิดแล้วก็จะบรรลุได้มันก็รู้ในจินตนาการของตนเท่านั้นเองแต่กิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจก็ไม่ได้ หายสาบสู์ไปไหนก็ยังมีอยู่ตลอดเวลาก็กลับไปคิดว่าเป็นเพียงสิ่งที่ไม่ไม่มีปัญหาแล้วคือถึงแม้จะอยากถึงแม้จะโลบจะโกรธจะหลงก็เป็นเพียงกิริยาเท่านั้นนี่ก็อาจจะทำให้ หลงผิดได้ทำให้คิดว่าเพียงแต่หาหนังสือหรือเพียงแต่คิดพอเข้าใจว่าทุกเกิดจากอะไรแล้ววิธีดับทุกดับด้วยอะไร mm. ก็คิดว่าตอนเองได้บรรลุแล้วได้สำเร็จแล้วอันนี้ก็เป็นเพียงความคิดเป็นความตู่เอา เพราะยังไม่ได้เข้าไปทดสอบความจริงอันนี้เลยความจริงอันนี้มันต้องมีการทดสอบต้องทดสอบดูการปล่อยวางต่างๆว่าปล่อยวางได้จริงหรือไม่เช่นปล่อยวาง ร, งงราบรดสรรเสริญได้จริงหรือไม่ปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะได้จริงหรือไม่ ฝ่ายวางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้จริงหรือไม่ปล่อยวางจิตได้จริงหรือไม่อันนี้ต้องมีภาวะมีเหตุการณ์ที่ทดสอบถึงจะรู้ว่าปล่อยวางได้จริงหรือไม่วิธีที่ทดสอบที่ดีที่สุดก็คือวิธี ภาวนานี่เองส ม, มะถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาพาเวลาทำใจให้สงบได้ใจจะปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ชั่วขา่าวปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะปล่อยวางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็เข้าไปสู่ความสงบ เข้าไปสู่อุเบกขาเข้าไปสู่สัจจะวา ร, รูตอนนั้นเน่เรียกว่าเป็นการปล่อยวางแต่ก็เป็นการปล่อยวางชั่วคราวไม่ถาวรเพราะต้องจออกมาสัมผัสรับรูก้กับรูปเวทนาสัญญาสังขาริาินญากลับมาสัมผัสรับรูก้กับรูป เสียงกลิ่นรสโพธตภัณฑ์เพราะร่างกายนี้มีความจําเป็นที่จะต้องมีการเคลื่อนไหวมีการเติมน้ําเติมอาหารจิตก็ต้องออกมาดูแลร่างกายออกมาเปลียนอิเลยาบทออกมาดื่มน้ําออกมารับทานอาหารแล้วถึงจะกลับเข้าไป ในความสงบได้ใหมแ่แต่ก็เป็นการสงบแบบชั่วคราวเป็นการปล่อยวางแบบชั่วคราวเพราะขณะที่ออกมาจากความสงบพอต้องมาสัมผัสรอบรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะมาคิดมาปรุงกิเลสตัณหาก็จะแทรกออกมา ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสุก็จะไม่มีใครรู้จักวิธีกำจักดกิเลสตัณหาได้อย่างถาวรก็จะกำจัดหรือดับกิเลสตัณหาไว้เพียงชั่วขาวเช่นในขณะเข้าไปในสมาธิเข้าไปในความสงบนี่คือจุดสูงสุดของ สมัยก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสโรผู้ปฏิบัติบําเพ็ญ เ, เพื่อดับความทุกข์นั้นสามารถบําเพ็ญได้ถึงขั้นสมาธิเท่านั้นขั้นรูปประชานอารูปประชานแต่ไม่สามารถที่จะดับกิเลสตัณหาดับความทุกข์ได้อย่างถาวรเพราะไม่รู้จักวิธีนั่นเองจน กว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาค้นพบวิธีดับกิเลสตัณหาอย่างถาวรมาตัดสรตัดสรวิธีรู้เหตุว่าความทุกข์เกิดจากกิเลสตัณหารู้เหตุที่จะดับกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจอันนี้ถึงจะสามารถ ดับความทุกข์ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างแท้จริงโดยที่ไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิแต่ในเรื่องต้นต้องมีสมาธิก่อนต้องปล่อยด้วยสมาธิให้ได้ก่อนถ้าปล่อยด้วยสมาธิไม่ได้จะไม่รู้จักวิธีปล่อยพอปล่อยด้วยสมาธิได้แล้วก็ใช้ปัญญา มาสอนใจให้ปล่อยโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็คือให้ใช้ความจริงมาแก้ความหลงเพราะความหลงเป็นเหตุทำให้เกิดตัญหาต้นเหตุของความทุกข์ใจความหลงก็คือไม่รู้ความจริงว่าความสุข ที่แท้จริงและความสุขปลอมนั้นแตกต่างกันอย่างไรไม่เคยรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนรู้แต่ความสุขปลอมรู้แต่ความสุขที่ได้รับจากการกระทำตามความอยากต่า ง, งเวลาอยากจะเสกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพลาก็คิดว่าถ้าได้เสษแล้วจะมีความสุข แต่ไม่เคยพิจารณาว่าเป็นความสุขแบบไหนเป็นความสุขยั่งยืนถาวรที่ให้ความอิ่มความพอไปตลอดหรือว่าเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวประเดี๋ยวประดาได้ามาแล้วก็หายไปแล้วก็เกิดความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวที่จะเป็นที่จะต้องหาอะไรมา มาเติมให้มันเต็มใหม่หาความสุขใหม่ก็ต้องไปอยากกับรูปเสียงกลิ่นรสผดภพใหม่ก็จะต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างที่ไม่มีวันจบสิน้นเวลาใดที่ไม่สามารถที่จะทําตามความอยากได้เวลานั้นก็จะเกิดความหงุดหยิดเกิดความลำคารใจ เกิดความทุกข์ใจถ้าอยากมากๆก็อาจจะถึงอยากจะฆ่าตัวตายเพราะมันทุกข์มากเช่นสูญเสียความสุขต่างๆที่เคยได้รับจากลาบยศสรรเสริญจากลูกเสียงกินลดโภดทพะตอนนี้ไม่สามารถที่จะหาความสุขแบบนั้นได้ เส้นสูญเสียราบยกสรรเสริญสูญเสียความสามารถที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระได้จิตใจก็จะมีแต่ความเครียดความทุกข์ความทรมานใจจนไม่คิดอยากจะอยู่ต่อไปนี่เป็นความทุกข์ที่เกิดจากการ หาความสุขโดยการกระทําตามความอยากต่างๆเป็นอีกด้านหนึ่งของสิ่งที่เราคิดว่าเราจะได้จากการทําตามความอยากเวลาเราทําตามความอยากเรามักจะคิดว่าเราจะมีความสุขเช่นเราอยากมีคู่ครองเราก็จะคิดแต่ส่วนที่เป็นความสุขแต่เราไม่เคยคิดถึงส่วนที่เป็นความทุกข์ ที่จะตามมาต่อไปเพราะสิ่งที่เราได้มานั้นเขาไม่ได้เป็นของที่จะอยู่เหมือนเดิมไปตลอดเขาต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปมีการเจริญบ้างมีการเสื่อมบ้างเวลาเจริญก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่เวลาเสื่อนมนั้นก็จะกลายเป็นปัญหาขึ้นมา เป็นความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับให้เขาเปลี่ยนไปในทางที่เจริญเพียงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะไปบังคับไปห้ามไม่ให้เขาเสื่อมไปในทางที่เราไม่ปรารถนาเพราะเขาไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเรานั่นเองท่านจึงเรียกว่าเป็นอนัตตา เขาเปลี่ยนก็เพราะว่าเขาเป็นอนิจจังพอเขาเปลี่ยนพอเราไม่สามารถไปบังคับเขาได้เราก็เกิดทุกข์ขังขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะอยากจะให้เขาไม่เปลี่ยนอยากจะให้เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีไม่เปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดี นี่คือสิ่งที่เราไม่ใช้ปัญญาพิจารณากันเพราะไม่รู้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาส่งสอนให้พิจารณาก็จะไม่รู้จักวิธีที่จะรักษาความสงบความสุขที่ได้จากสมถภาวนาเวลาที่ออกมาจากสมถภาวนาแล้วเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมา วิธีเดียวที่จะทาได้ก็คือต้องกลับเข้าไปในสมาธินั่นก็คือวิธีของผู้ที่ปฏิบัติในสมัยที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสระมาสอนวิปัสสนาภาวนามาสอนให้รู้จักวิธีรักษาความสุขที่ได้จากความสงบโดยการที่ไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิโดยการใช้ปัญญา แก้ความหลงเอาความจริงมาแก้ความหลงเอาเอาความสว่างมาแก้ความมืดเวลาเราอยู่ในที่มืดเรามองไม่เห็นอะไรเราใช้อะไรเราก็ใช้จินตนาการว่าของอยู่ตรงนั้นของอยู่ตรงนี้แต่พอเดินไปแล้วไปชนสิ่งนั้นไปเตะสิ่งนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าจินตนาการของเรากับความจริงมันไม่ตรงกัน ฉัในใดเวลาที่เราไม่ใช้ปัญญาก็อย่างนั้นเวลาเราเห็นอะไรเรารักเราชอบเราก็จะว่ามันดีไปหมดดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อยากได้มาเป็นสมบัติของตนให้ได้เพราะไม่ได้มีปัญญาที่จะชี้ให้เห็นว่ามันดีจริงตอนนี้แหละแต่มันพรุ่งนี้มันจะดีอย่างนี้หรือเปล่า ต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปมีการเสื่อมไปและมีการทัดทากจากกันไปอันนี้ผู้ที่ไม่มีปัญญาจะมองไม่เห็นก็เหมือนกับผู้ที่อยู่ในที่มืดจะไม่มองเห็นสิ่งต่างๆจะเห็นไปตามจินตนานการของตนเท่านั้นดังนั้น ระทธเจาถึงทรงสอนให้เจริญวิปัสสนากันหลังจากที่ออกมาจากสมถะภาวนาแล้วสามารถรักษาความสงบที่ได้จากสมถะภาวนาโดยการเจริญปัญญาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างหรือไม้ว่าเห็นอะไรได้ยินอะไรสัมผัสอะไรคิดถึงเรื่องอะไรถ้าเกิดความอยากขึ้นมาก็ต้องใช้ายรักเข้ามายับยั้งทันที ถ้าใช้เป็นก็จะหยุดตั้นหาความอยากได้พอหยุดความอยากได้ความรู้สึกว่าอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวความรู้สึกว่าขาดสิ่งนั้นขาดสิ่งนี้มันก็จะหายไปความอิ่มความพอที่ได้รับจากความสงบก็จะกลับคืนขึ้นมาใหม่ก็จะอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องเิ่นรนไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ ไม่ต้องไปหาคนนั้นคนนี้ไม่ต้องโทรปันไปติดต่อกันมาส่งภาพส่งอะไรต่างๆไปหากันนี่ที่ทำอย่างนี้ก็เพราะว่ามันอยู่เฉยๆไม่ได้ใจมันหิวกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสมันหิวกับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวของบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่กำลังไปไหนนี่คือเรื่องของตัญหาทั้งนั้นสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่ผลิตกันขึ้นมานี้ก็เพื่อมารองรับตัญหานี้ทั้งนั้นแล้วก็มันสามารถดับความทุกข์ภายในใจให้หมดไปได้หรือไม่มันไม่สามารถดับได้เวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา สิ่งเหล่า น, นี้มันดับได้หรือเปล่ามันดับไม่ได้เพราะมันไม่มีหน้าที่ที่จะมาดับความทุกข์ใจหน้าที่ของมันก็คือมาสร้างความทุกข์ใจให้มีมากขึ้นไปเท่านั้นเองเพราะมันจะทำให้เกิดมีความอยากเพิ่มมากขึ้นไปเพราะว่าได้มาเท่าไหร่ก็จะไม่อิ่มไม่พออยากจะได้มากกว่าไปกว่านี้อยากจะได้ สิ่งที่ดีกว่านี้ยังมีสินค้าที่ผลิตออกมาที่จะต้องดีกว่าเก่าอยู่เสมอเพราะมีความต้องการของที่ดีกว่าใหม่กว่าอยู่เรื่อยๆแต่ต่อให้ใหม่ขนาดไหนดีกว่าขนาดไหนมันก็เหมือนเดิมมันก็ไม่ได้ทำให้ความทุกข์ความอยากหายไปจากใจ แมันกลับทำให้เกิดมีความอยากความทุกข์เพิ่มมากขึ้นรอรุ่นใหม่พอซื้อรุ่นใหม่นี้มาได้ไม่กี่วันก็นั่งรอรุ่นใหม่แนละ้วพอได้ยินข่าวว่ามีรุ่นใหม่ออกมาก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเงินเตรียมทองที่จะไปต้อนรับน้องใหม่แนละ้วนี่คือเรื่องของใจของผู้ที่ไม่ได้ จเจริญสมถะภาวนาไม่ได้จเจริญวิปัสนาภาวนาดัางนั้นการปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์ดับกิเลสตัณหานี้ต้องต้องปฏิบัติด้วยการจเจริญสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาเราต้องกลับเข้าไปในใจเพื่อที่จะได้ไปพบกับปะตต่อสู้กับข้าศึกศัตรูของพวกเรา ที่มีฝังอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาอิเลสตัณหานี่มันอยู่ภายในใจของเราเราต้องกลับเข้าไปในใจเท่านั้นเราถึงจะทำลายมันได้ดังนั้นขอให้พวกเราพยายามเพียรปฏิบัติกันการที่จะทำใจให้สงบได้จำเป็นจะต้องมีสติ สตินี้เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดสมาธิเกิดความสงบแล้วเมื่อมีความสงบแล้วก็ใช้ปัญญารักษาความสงบด้วยการทาลายตันหายเลห ต, ต่างๆที่เป็นตัวที่จะมาคอยทาลายความสงบที่ได้รับจากการเจริญส ม, มถภาวนาทุกครั้งที่มีตันหาความอยากจะต้องทำลายมัน ไม่ใช่ไปสนับส น, นุนเหมือนเพราะสนับสนุนความอยากก็เท่ากับการสร้างส น, นสนับสนุนการสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาเราปฏิบัตินี้ก็เพื่อดับความทุกข์ใจต่างๆให้หมดไปจากใจเพื่อใจของเราจะได้อยู่อย่างสบสบายเพราะความทุกข์ใจนี้ก็เป็นเหมือนกับความทุกข์ของร่างกายที่เกิดจาก โรคภัยไข้เจ็บเวลาเราเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดความทุกข์ทางร่างกายเราทำอย่างไรเราก็ต้องหาวิธีรักษามันไม่ใช่หรือมียาก็เอายามารับประทานไม่มีก็ไปหายาถ้าต้องใช้หมอ <c oughs> ก็ต้องไปหาหมอถ้าต้องเข้าโรงพยาบาลก็ต้องเข้าโรงพยาบาล เพราะเราไม่ต้องการให้ร่างกายมันเจ็บมันปว่วยเราต้องการให้มันหายเราไม่ต้องการให้มันตายฉะนั้นในความทุกข์ใจก็เหมือนกันความทุกข์ใจก็คือความไม่สบายของจิตใจนั่นเองแต่เราไม่ค่อยรักษาจิตใจหรือรักษาก็รักษาแบบวิธีที่ไม่ถูก รักษาแบบไม่หายรักษาแบบทำให้เกิดความทุกข์ใจรุนแรงเพิ่มขึ้นไปอีกแทนที่ความทุกข์ใจจะเบาบางน้อยลงไปกับรักษาด้วยการเพิ่มความทุกข์ใจขึ้นไปอีกก็คือพอทุกข์ใจก็ไปหาความสุขมาดับความทุกข์ใจด้วยการทำตามความอยาก อยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานก็ไปดื่มกันไปรับประทานกันไปดูไปฟังไปเที่ยวกันเพื่อที่จะได้มาดับความทุกข์ใจที่มีอยู่บางทีเราทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้เราก็เลยหนีไปเที่ยวออกไปนอกบ้านไปซื้อข้าวซื้อของอไปดูไป ฟังอะไรไปดื่มไปรับประทานอะไรก็เป็นการลืมความทุกข์ที่มีอยู่ไปชั่วเก่าแต่ไม่ได้ดับความทุกข์นั้นพอกลับมาเจอเรื่องเก่าความทุกข์เก่าก็จะหวนกลับคืนขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปสร้างความทุกข์ใหม่คือความอยากที่จะออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลื้นกาย อันนี้ก <Jub ilee> <use. S 2> ็เลยมีความทุกข์สองสองอันอันแรกก็ทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ก็ใช้วิธีการไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาดับความทุกข์แต่มันไม่ได้ดับพอกลับมาคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ความทุกข์ที่เกิดจากคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็กลับเขินขึ้นมาใหม่แล้วก็ อยากจะออกไปเที่ยวเพื่อที่จะได้ลืมเรื่องนี้ไปอีกถ้าไม่ถ้าไม่มีความสามารถที่จะออกไปเที่ยวได้ทีนี้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเช่นร่างกายเจ็บ่า้ได้ป่วยหรือว่าเงินทองไม่มีไม่สามารถที่จะออกไปเที่ยวได้ตอนนั้นก็ยิ่งเกิดความทุกข์ซ้อนขึ้นมาอีกอีกอีกชั้นหนึ่ง ทุกเรื่องคนนั้นคนนี้แล้วยังต้องมาทุกกับเรื่องของวิธีดับความทุกข์เพราะมันไม่ใช่เป็นวิธีดับความทุกข์ที่ถูกต้องนั่นเองมันเป็นวิธีที่สร้างความทุกข์เพิ่มขึ้นมาใหม่ดัง น, นั้นเวลาเราไม่สบายใจเราทุกข์กับเรื่องอะไรเราต้องรักษาความทุกข์ให้ถูกวิธีวิธีที่ถูกก็คือวิธีภาวนานี้เราต้องใช้สมถ ภ, ภาวนา และวิปัสสนาภาวนามารักษาโรคใจแล้วความทุกข์ต่างๆโรคภัยต่างๆมันก็จะได้รับ ก, การรักษาอย่างถูกต้องน่าจะหายอย่างสนิทเหมือนกับที่เรารักษาร่างกายของเรา <c oughs> เวลาเราเป็นอะไรเราก็ต้องไปหาผู้ที่รู้จักวิธีรักษาร่างกายเราไม่รักษาด้วยตัวเองเช่นไปร้านขายยาแล้วก็ ไปสั่งยาชนิดนั้นชนนี้นี้มารับประทานคนขายก็ไม่รู้ว่ามันจะรักษาได้หรือไม่เขาบอกอาการเขาเขาก็บอกเอาเอานี้ไปลองกินดูแต่เขาก็ไม่รู้ความจริงว่ามันจะรักษาได้หรือไม่เพราะว่าอาการที่เหมือนกันนี้มันอาจจะมีสมุทฐานมีเหตุที่ต่างกันก็ได้ต้องไปหาผู้ชำนาญ ผู้ที่สามารถวิเคราะห์แยกแยะอาการต่างๆได้ว่าเกิดจากอะไรกันแนะ่แล้วต้องใช้ยาหรือใช้วิธีรักษาอย่างไรถึงจะสามารถรักษาให้หายได้อย่างถูกต้องให้หายได้อย่างอย่างเด็ดขาดอันนี้ก็คือเรื่องของใจเหมือนกับเรื่องของร่างกายเราต้องรักษาใจรักษาความทุกข์ใจ ด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยส ม, มถภาวนาและวิปัสนาภาวนาแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่การส ม, มถะและวิปัสนาภาวนาได้เราก็ต้องมีเครื่องมือสนับสนุนพาให้เราเข้าสู่การภาวนาก็คือการรักษาศีลการภาวนานี้จำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุน โดยการนักษาสีนแปดถึงจะสามารถทำให้เรามีกำลังพอที่จะออกมาปลีกวิเวกอยู่ตามลำพังเพื่อที่จะได้เจริญสติได้อย่างต่อเนื่องเพราะถ้าเราไม่อยู่ตามลำพังอยู่ในสถานที่สงบสงัดจะมีเรื่องราวต่างๆมาคอยอามาคอย ขั้นไม่ให้เราสามารถที่จะเจริญสติได้อย่างต่อเ น, นื่องเราจึงต้องเจริญรักษาสีแปให้ได้และการที่เราจะรักษาสีแปได้เราก็ต้องไม่มีภารกิจการงานทางโลกไม่ไม่ต้องไปทํางานทําการเพราะถ้าทํางานทําการนี้มันก็จะมีอุปสรรคเพราะเวลาทํางานก็ต้อง ใช้พลังงานใช้อะไรต่างๆก็ต้องรับประทานอาหารมากกว่าการที่เวลาที่เราไม่ต้องทำงานและเวลาเวลาที่เราจะมีให้กับการเจริญสติก็มีไม่มากเพราะเราจะต้องเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆบุคคลต่างๆ การจะตั้งสติให้อยู่กับอารมณ์เดียวจึงไม่ได้เป็นสิ่งที่สามารถที่จะทำได้อย่างง่ายได้เช่นไปทำงานแล้วลองบริกรรมพุโทโธไปดูดูว่าจ ะ, จะเจริญพุโทโธได้สักนานสักเท่าไหร่นี่แหละจึงเป็นเรื่องที่ว่าเราต้องยุติการทำงานถ้าเราอยากที่จะมารักษาโรคใจ รักษาใจของพวกเราให้หายจากความทุกข์ต่างๆเราต้องมีเวลามาภาวนามีเวลามาเจริญรักษาศีลแปดเจริญสติเพื่อที่เราจะได้สมาธิแล้วหลังจากได้สมาธิเราก็จะได้เจริญปัญญาเพื่อที่จะรักษาความสงบความสุขที่ได้จากสมาธิ นี่คือเรื่องของการปฏิบัติก่อนจะปฏิบัติก็ต้องมีศีลแปก่อนจะมีศีลแปดก็ต้องมีศีลห้าเพราะศีลห้ามันง่ายกว่าศีลแปดแล้วก่อนที่จะมีศีลได้ก็ใจก็ต้องไม่ขวนขวายไม่โลภอยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจะหาเพียงเท่าที่จําเป็นต่อการดำรงชีพเท่านั้นถ้า หาเพียงเท่านี้แล้วการรักษาศีลจาง่ายเพราะว่ามันไม่ต้องหามากเมื่อไม่ต้องหามากก็ไม่ต้องใช้เลขเลขกลนต่างๆใช้การผิดศินมาเป็นเครื่องมือในการหาเงินทองมากๆอย่างพระนี่ก็หาด้วยการบินบาตเดินไปบินตบาไใครจะให้ก็ให้ไม่ให้ไม่ใส่ก็ไม่ว่าอะไร ไม่ต้องมาโกษณาชวนเชื่อว่าข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่ได้บรรลุขั้นนนี้แล้วบ mm hmm. ป็นระบาดไปตามมีตามเกิดเ mm hmm. พราะว่าไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนะอาหารเพียงพอที่จะให้อยู่ไปได้วันวันหนึ่งก็พอแล้ว mm hmm. ถ้ามีความมากน้อยสันโดษแล้วก็จะรักษาศีลห้าได้ รักษาศีลห้าได้ก็จะรักษาศีลแปดได้รักษาศีลแปดได้ก็จะปิดวิเวทได้ไปเจริญสติได้ไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้แล้วก็เจริญปัญญาได้ตัดตัณหาดับความทุกข์ต่างๆที่มีภายในใจให้หมดไปได้บรรลุมรรคสีพ้นสีนิพพาหนหนึ่งได้นี่แหละคือวิธี รักษาใจของพระพุทธเจ้าของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้ที่มีจิตศ ร, รทัทธามีความเนื่องใส่ที่จะควรขวนขวายศึกษาและปฏิบัติเพื่อที่จะได้ก้าวขึ้นไปตามลดำดับ จากขั้นทานขึ้นไปสู่ขั้นศีลจากขั้นศีลขึ้นไปสู่ขั้นภาวนาตามลําดับนะอย่าอย่าปฏิบัติให้ติดอยู่เพียงขั้นใดขั้นหนึ่งควรจะถักดันตัวเองว่าถึงเวลาแล้วเราทําทานมามากพอแล้วถึงเวลาที่เราต้องรักษาศีลให้บ่อยสุดถึงเวลาที่เราต้องรักษาศีลของ นักบวชแล้วถ้าเรารักษาศีลห้ามาได้นานแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องมารักษาศีลของนักบวชของนักภาวนาแล้วยอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งก่อนก็ยังดีวันหนึ่งในเจ็ดวันนี้เอาวันหนึ่งวันที่เราไม่ต้องไปทํางานทำกายวันนั้นแหละเราจะรักษาศีลแปดได้เพราะไม่มีไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรค ในวันทำงานนี้มันมีอุปสรรคเพราะไหนจะต้องมีสังคมไหนจะต้องไปรับประทานร่วมกับคนทำงานร่วมกับญาติสนิทมิตรสหายจะรักษาศีลแปดบางทีก็รักษาไม่ได้เราก็เอาวันหยุดของเราวันที่เราไม่ต้องออกไปสังคมกับใครอยู่บ้านหรือ ไ, ไปอยู่วันแล้วก็รักษาศีลแปดไปเราก็จะละวันสติไป ด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งสมาธิด้วยการฟังเทศฟังธรรมการกระทําเหล่านี้เป็นการเจริญสติทั้งนั้นเดินจงกรมก็เป็นการเจริญสติได้นั่งสมาธิก็เป็นการเจริญสติการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นการเจริญสติเป็นตอนนี้เราฟังธรรมถ้าเราไม่มีสติใจเราจะลอยใจเราจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้ก็เรียกว่า นั่งแบบทับทีในหม้อแกน่นั่งแบบไม่ได้เจริญสติถ้านั่งแบบเจริญสตินี้ใจจะจดจ่อฟังเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสที่หูและเข้าไปในใจและพิจารณาตามพิจารณาตามได้ก็จะได้ปัญญาได้สั ม, มาธิิถ้าพิจารณาตามไม่ได้เพียงแต่จดจอ่อรับฟังเสียงอยู่ไม่ปล่อยให้ใจลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ใจก็จะได้ความสงบได้สถมถะภาวนานี่แหละคือกิจกรรมที่พวกเราควรที่จะขวนขวายกันควรที่จะผลักดันตัวเราต้องบังคับตัวเราเพราะการกระทาเหล่านี้ก็เหมือนกับการรักษาร่างกายเราต้องบังคับถึงเวลากินยาเราต้องกินยาถ้าปล่อยให้เป็นไปตามความอยากแล้วมัน มันจะไม่กินถึงเวลาที่จะต้องทําตามหมอสัง่งเช่นให้อดนั่นอดนี่ไม่ให้กินนั่นกินนี่ถ้าอยากจะรักษาโรคให้หายก็ต้องทําตามหมอสัง่งก็ต้องบังคับตัวเองให้ทําตามที่หมอสัง่งดังนั้นถ้าเราอยากจะหายจากความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจเราก็ต้องทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งให้เรากระทากันก็คือให้เราจเจริญ ปฏิบัติทาขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นทานเข้าไปสู่ขั้นศีลเข้าไปสู่ขั้นภาวนาไปติกวิเวกไปเจริญสติเดินจงกรมไปนั่งสมาธิฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมสลับกันไปแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะค่อยหายไปตามลาดับมันไม่ได้หายแบบ ท, ทันทีทันใดหายไปหมดมันก็ค่อยๆหายไป ตามกำลังของการปฏิบัติของเราทางกำลังของสติสมาธิปัญญาของเราหายช้าหายเร็วก็อยู่ที่การปฏิบัติของเราบางคนก็หายได้ภายในเจ็ดวันบางคนก็หายได้ภายในเจ็ดเดือนบางคนก็หายได้ภายในเจ็ดปีมีปรากฏขึ้นมาแล้วทั้งในอดีตและในปัจจุบันนะ ครูบาอาจารย์ที่เราทั้งหลายกราบวหว้บูชาที่อัติของท่านได้กลายเป็นพระธาตุไปแล้วก็เป็นผู้ยืนยันแล้วว่าท่านได้หายจากโรคของความทุกข์ใจแล้วก็เกิดจากการทำตามคำสั่งของพระพุทธเจ้านั่นเองพวกเราก็สามารถที่จะรักษาโรคใจของเราให้หายได้เหมือนกับครูบาอาจารย์ที่พวกเรากราบว่า้บูชา ถ้าเราปฏิบัติการที่ท่านปฏิบัติกันดังนั้นเรื่องทั้งหมดก็จกมาที่ตัวเราเราจะรอหวังให้ผู้อื่นมาปฏิบัติให้เราไม่ได้ทําให้เราไม่ได้เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองเพระพุทธเจ้าจึงต้องจัดไว้ว่าอ ah ัตตาหิตอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตน ตนต้องเป็นผู้สร้างที่พึ่งขึ้นมาเองผู้ไม่สามารถสร้างที่พึ่งให้กับเราได้ถ้าสร้างได้ก็พระพุทธเจ้าก็สร้างให้พวกเราสร้างพระนิพานให้กับพวกเราัทุกคนแต่ท่านสร้างไม่ได้ท่านอยากจะสร้างจะตายแต่สร้างไม่ได้ท่านสร้างได้เพียงแต่นิพพานของท่านเท่านั้นนิพพานของใครก็ต้องสร้างกันไปเองดังนั้นขอให้พวกเรา ยองรีบขวนขวายกันยองพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆพิจารณาความเสื่อมอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลามันจะน้อยลงไปทุกวันทุกวันเวลาที่เราจะได้รักษาจิตใจของเรานี้มันจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่าประมาชนใจอย่าพัดวันประกันพรุ่งยองรีบปฏิบัติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลย พอลืมตาขึ้นมาก็ตั้งสติจเจริญสติไปเลยแล้วก็พยายามหาเวลาไปปิดวิเวกให้มากที่สุดเ ท, ท่าที่จะมากได้เราพยายามลดพันธะต่างๆพยายามลดความอยากต่างๆที่จะต้องบังคับให้เราต้องไปทํางานทําการเพื่อหาเงินหาทองมาตอบสนองความอยากต่างๆพยายามใช้ความมากน้อยสัมปวะ แล้วมันจะทำให้เราไม่ต้องไปเสียเวลากับการหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนองความอยากต่างๆเราจะได้มีเวลาไปเกลียเวทจะได้มีเวลาไปเจริญสติไปนั่งสมาธิไปเจริญปัญญาเพื่อวิมุาติบุคค้นที่จะตามมาต่อไปก็คิดว่า การแสดงก็อพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติวายเปลี่ยนเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมถ้าท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนเพื่อที่ผู้ฟังจะได้ยินทั้งคำถามและคำตอบถ้าไม่มีใครก็จะให้ ถามตอบปัญหาผ่านทางอินเทอร์เน็ตไปก่อนก็ได้แล้วใครอยากจะถามที่หลังก็ขึ้นมาถามได้แต่ขอความกรุณาเวลาปิดไม้แล้วก็อย่ามาถามแต่ไปเป็นคำถามจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะคำถามแรกจากคุณปุ๊ก vegetable ไม่สบายใจที่ลูกเริ่มเป็นคนพยาบาทจะบอกเขาอย่างไรดีคะครูสอนให้เขมีความเมตตาสอนเขาว่าความพยาบาทนี้เป็นเหมือนไฟในรกผู้ที่ทุกข์ไม่ใช่คนที่เราพยาบาทแต่เราต่างหากที่เป็นคนที่ทุกเพราะว่าเวลาเกิดความพยาบาทนั้นใจเราจะรอ้อนเราจะกินไม่ได้เอาไม่หรอ แต่ก่อนที่เราถูกพยาบาทนี้เขาไม่รู้เรื่องเรือเนะเขาก็อยู่ของเขาไปตามปกตินี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วถ้าเราไปทําตามความอาฆาตพยาบาทก็จะเกิดการจองเวรจองกรรมขึ้นมาเราไปทําร้ายเขาเขาก็จะโกรธอาฆาตพยาบาทมาเขาก็จะกลับมาทําร้ายเราดนวิธีที่ดีที่สุดก็คือให้อาภัยแผ่เมตตา คิดเสีว่าเป็นการใช้นี่ก็แล้วกันเราหาจจะไปพูดไปทำอะไรทำให้เขาไม่พอใจเขาก็เลยต้องมาพูดมาทำอะไรให้เราไม่พอใจก็ถือว่าจบแค่นั้นก็พอถ้าไม่เช่นนั้นเราเราจะเดือดร้อนเราจะมีเจ้ากรรมนายเวง คำถามข้อต่อไปจากคุณจิรวันถ้ากินยาถ่ายพยาธิผิดศีลข้อปานาไหมคะถือเป็นการฆ่าสัตว์ไหมเพราะเป็นจิตนาด้วยหรือว่าเป็นการรักษาโรคคะถ้าที่เข้าใจพยาธินี่ไม่ได้มีจิตใจนะถือว่าไม่ใช่เป็นเป็นที่ทำแล้วจะเป็นการฆ่าเขาเป็ น, ปนการรักษาโรคภายใค้จิต เชื้อโรค่างๆในร่างกายนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกับมนุษย์เหมนกับสัตว์เดราชานัน้นการจิงยาเพื่อที่จะรักษาโรคไฟก็เชินไม่ถือว่าเป็นการทำประนาธิบาตคําถามข้อสุดท้ายจากทางอินเตอร์เน็ตนะคะจากคุณปัชยาเลิศจเจริญโชค ทุกในใจจะแก้ไขยังไงใช้ทั้งสวดมนต์การบำเพ็ญภาวนาก็ยังทุกอยู่ค่ะก็เป็นวิธีที่ถูกแล้วเพียงแต่ว่ายังทําน้อยไปหมายถึงการรับประทานยาหมอให้ยาให้ยามายี่สิบเม็ดรับประทานไปเม็ดเดียวแล้วก็บวังที่จะให้โรคพายหายยังไม่หายต้องกินตามที่หมอสั่งกินยาให้หม ัยาปฏิชีวนะนี่ธรรมดาหมอจะให้เป็นชุดต้องกินอย่างน้อยห้าวันวันละสี่เวลาคือยี่สิบเม็ดแล้วโรคภัยที่เกิดจากเชื้อโรคก็จะหายทั่นใดความทุกข์ใจก็เหมือนกันความทุกข์ใจก็จะหายจากการสวดมนต์จากการนั่งสมาธิจากการเจริญปัญญา แต่ว่าเราต้องทำไปเรื่อยๆจนกว่าความทุกข์นั้นจะหายไปถ้ายังไม่หายก็อย่าหยุดทำเช่นสวดมนต์ไม่ใช่สวดแค่สองสาทีแล้วก็คิดว่าจะให้ความทุกข์หายไปเลยสวดอาหังสัมมาสวัสดค้าโตสุปฏิปันโนจบแค่นี้ไม่พอต้องสวดไปสวดไปทั้งวันอย่างนี้ วไปทั้งวันก็จะเห็นผลว่าเออความทุกข์ใจความไม่สบายใจนี้มันเริ่มผ่อนคลายแต่มันจะไม่หายได้เกิดจากการสวดมนต์อย่างถาวรเวลาใดที่เราไม่สวดมันก็จะกลับมาได้ถ้าเราอยากจะให้หายอย่างถาวรเราก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาความทุกข์ของเราว่าเกิดจากอะไรความทุกข์ของพระเจ้าก็บอกว่าเกิดจากความอยาก เราก็พิจารณาดูว่าตอนนี้เราอยากกับอะไรเรื่องอะไรเช่นอยากกับสามีอยากกับภรรยาหรืออยากกับเงินทองหรืออะไรต่างๆเมื่อเราพิจารณาดูว่าแล้วเราอยากแล้วเราไม่ได้ทางใจอยากเพราะอะไรก็เพราะว่าเขาเป็นอนัตตาเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการได้ถ้าเราเห็นว่าเขาเป็นอนัตตาหรือเห็นว่าเขาเป็นนิจจ์ เป็นสูญเสียสิ่งที่เราลักไปแล้วอยากให้กลับให้เขากลับมาใหม่เขาก็ไม่กลับมาเพราะเขาไปแล้ ว, <c oughs> ลวเราต้องยอมรับความถึิงว่ามันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาถ้าเราไม่อยากเธอทุกข์เราก็ต้องหยุดความอยากหยุดความอยากไม่ให้เขาเปลี่ยนไม่ให้เขาจากออไปหยุดความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้ถ้าเราหยุดได้ ความทุกข์ก็จะหายไปอย่างเทาหวงวันว น, นั <c oughs> ้นเหลปัญหาเ็มีหมอกริยาตั้งห้าล อ, อยนะวันนี้สองข้อนน ค, ค่ะวันปนัญหามาทุกข์กี่ปัญหาปัญหาูกบอลสองข้อค่ะพระอาจารย์วันนี้ข้อแรกคือวันก่อนนะคะพระอาจารย์บัะเอิญหนู ม, มาไม่ทันว่าพระอาจารย์ได้แสดงทำอะไรไปก่อน แต่บังเอิญมาได้ยินตรงที่พ่ออาจารย์บอกว่าเนี่ยดูสิอยุธยาเนี่ยเป็นยังไงยังเหลือแต่ซากแต่พอพ่ออาจารย์กล่าวตรงนี้เสร็จปุ๊บบังเอิญมันมีโยมอยู่ท่านหนึ่งสวนกลับขึ้นมาทันทีเห็นไหมว่าพ่ออาจารย์บอกว่าอายุธยาเหลือแต่ซากเพราะฉะนั้นเราอย่าไปยึดอย่าไปถืออย่าไปเครียดอยากกินกินอยากเที่ยวเที่ยวอย่ากทำอะไรทํา ทีนี้เนี่ยธรรมะตรงเนี้ยระหว่างความหมายของพระอาจารย์กับความเข้าใจของโยมท่านนั้นถูกต้องไหมคะก็ไม่ถูกต้องการการที่เราเห็นความเสื่อมนั่นเพื่อที่จะทําให้เราหยุความเหยียแต่ถ้าเรากลับเห็นความเสื่อมเราใช้เป็นเหตุให้เราตามตามตามเยีย ก็ริงแสดงว่าไม่เห็นจริงเพราะเราไม่คิดถึงว่าพอเราร่างกายเราเสื่อมไม่สามารถทำตามความอยากเราได้เราจะทำอย่างไรมันจะเป็นปัญหาตอนนั้นตอนที่เพราะว่าเวลาเราทำตามความอยากแล้วมันไม่อิ่มไม่พอถ้าทำตามความอยากแล้วอิ่มแล้วพอไม่ต้องทำอีกต่อไปก็ดีแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นยิ่งทำตามความอยากมันก็ยิ่งเพิ่มความอยาก แล้วพอร่างกายมันแก่มันจะตายมันทําไม่ได้พตอะ น, นั้นจะทุกทรมานมากถึงต้องมาหัดหยุดเสียก่อนก่อนที่ที่ร่างกายจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการกองเราได้ถ้าเราหยุดความอยากของเราได้ต่อไปเวลาร่างกายไม่สามารถตอบสนองความอยากแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนนี่คือความความจริงที่ให้พิจารณาความเสื่อมก็ให้พิจารณาเครื่องมือของเรา เครื่องมือที่เราใช้หาความสุขต่างๆตางความอยากของเราก็คือร่างกายของเราในทุกวันนี้เราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันจะดูก็ต้องมีตาจะฟังก็ต้องมีหูจะลิ้รถก็ต้องมีลิ้นจะโน้มเกรงก็ต้องมีจมูกจะสัมผัสกับความแข็งความนุ่มความร้อนความความเย็นก็ต้องมีร่างกาย ที่ต่อไปเวลาร่างกายมนหมดสภาพเช่นเป็นอรารมณ์พืํามวาาไปจะทําอย่างไรหรือเป็นโรคที่หมอบอกว่าจะต้องตายไปภายในสามเดือนหเดือนอาะมาณนี้ก็เลยใช้วิธีฆ่าตัวตายห น, นีความทุกข์นี้กันไปเรื่งฆ่ามันก็ฆ่าผิดคนอีกละคนที่เป็นปัญหาไม่ใช่ร่างกายคนที่เป็นปัญหาก็คือความอยาก คนที่เราต้องฆ่าก็คือความอยากเพราะมันเป็นตัวทําให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราฆ่าความอยากได้ต่อไปร่างกายจะรับใช้เราหรือ ไ, ไม่รับใช้เราก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเราไม่มีความอยากที่จะใช้ร่างกายหาความสุขให้กับเราเพราะเรามีความสุขภายในใจของเราที่เกิดจากการปฏิบัติบาเพ็ญสมถะแืะวิปัสสนาภาวนานี่คือ สิ่งที่ให้เราพิจารณาเพืนะ่อให้เราปล่อยวางความสุขต่างๆซึ่งเป็นความสุขกลอมแล้วมาหาความสุขแท้ความสุขแท้ก็คือการทําใจให้สงบการดับตังหาการละตังหาความอยากต่างๆเพราะถ้าไม่มีความความอยากแล้วใจจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายอยู่เฉยๆก็เป็นสุขแต่ถ้ามีความอยากต่อให้มีเงินทองกี่ร้อยล้าน มีตำแหน่งสูงขนาดไหนอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เฉยๆก็มันจะหมดหนิดขึ้นมาทันทีต้องมีอะไนั่นดูต้องมีอะนั่นทำต้องมีอะไรทําให้มันเพลิดเพลิให้มันหายคันอ่านึนก็ไปเกาไปไปเกาวผิดที่คําอย่างที่หลวงตาบอกหมาขี้เลืมันไปเกาวผิดที่ต้องเกาที่มันคันไอตัวที่ทําให้เราคันก็คือตันหาความอยากถ้าเราดับความอยากได้แล้ว ความหงุดหงิดความมอมมงขาใจอะไรต่างๆก็จะหายไปหนี่คือสิ่งที่ควรจะคิดไม่ใช่คิดว่าไหนๆเราจะตายก่อนจะตายก็เที่ยวเล่นให้มันกินให้มันเป็นที่คข้อที่สองข้อที่สองกับเป็นเรื่องของบังเอิญฝันร้ายค่ะพระอาจารย์ <c oughs> บังเอิญฝันว่ากําลังจะล้มตัวลงนอนที่หนึ่งบังเอิญยุงเยอะมาก ก็เลยเอามือตบทุกครั้งที่ตบลงไปยุงก็ตายครั้งละหลายตัวตรงนั้นพอ ร, รู้สึกปุ๊บรู้สึกว่าไม่ดีเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยจิตเรายังไม่ได้พ้นอบายภูมิเรายังรูปคำในศีลอยู่ทีนี้เนี่ยจากความฝันทาให้รู้สึกว่าศีลของปานาติบาศีลห้าของมนุษย์กับศีลของพระอริยะเจ้าเนี่ยมันต่างกัน ทีนี้เนี่ยถ้าเราลักษณะลักษณะอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงจึงจะเข้าถึงศีลของพระริยะเจ้าได้คะก็ต้องจเจริญปัสสาวะพิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราพิจารณาเวทนาความรู้สึกต่างๆไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมันอย่าไปปกป้องรักษาด้วยการฆ่าผู้อื่น เช่นยุมงมันกัดก็ปล่อยนกัดไมันไม่ได้กัดเรามันกัดร่างกายที่ไม่ใช่ตัวเราความเจ็บก็เป็นความเจ็บของร่างกายไม่ใช่เป็นความเจ็บของเราเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจอันนี้ก่อนที่เราจะมาวิปัสสนาได้เราก็ต้องทําใจให้สงบก่อนเพราะขณะที่ใจสงบใจกับร่างกายจะแยกออกจากกันถ้าเราก็จะรู้ว่า เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นตัวรู้เป็นผู้รู้เท่านั้นเองเป็นผู้รับรู้ความจิตความปวดความสุขความสบายของร่างกายดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับร่างกายไม่ต้องไปทําบาปเพื่อที่จะมาปกป้องรักษาร่างกายหรือมารักษาความสุขของร่างกายเพราะว่าเราไม่ได้ไม่เสียกับความสุขความทุกขของร่างกายเราไม่ได้ไม่เสียกับความเป็นความตายของร่างกาย ทำไมเราจะต้องไปทำบาปไปไหให้มันขาดทุนไปเปล่าๆผู้ที่มีสมาธิผู้ที่มีปัญญาจะสามารถปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางเวทนาได้ก็จะรักษาศีลห้าได้อย่างบริสุทธิ์เพราะว่าดูว่าถ้าไปทำผิดศีนผู้ที่รับบาปก็คือก็คือเราไผู้ที่กระทำนี้ไม่ใช่ร่างกาย เราไปครอบครองไปปกป้องรักษาร่างกายแล้วเราเป็นคนไปทําบาปแล้วเพื่อที่เราต้องไปรับผลกรรมเองทําไปทําไมปล่อยร่างกายมันเป็นไปตามเรื่องของมันเราอยากไปทําบาปมันจะเห็นชัดเวลาที่เรามีสมาธิพอแล้วใจเราสงบแล้วเวลาใจเราคิดที่จะปกป้องรักษาร่างกายมันจะทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีเวลาที่เราปล่อยกบใจเราจะอย่งางทันที แล้วก็มีวิธีว่าเราต้องปล่อยปล่อยแล้วก็สบายอาจารย์เ้ิดในเปิกในเพยอภัยจ่าครับกไะถามเรื่องศีลห้าพอดีครับคือศี 5, ลห้าสำหรับปุถุชนนี่คุมกายและใจด้วยหรือเปล่าครับคื <c ười> อศีลห้ามันอยู่ที่วาจา ก, กาัดกายการกระทําทางกายกับทางวาจา แต่มันก็มีใจเป็นผู้สั่งให้กระทำเพราะฉะนั้นมันจะว่าใจว่าแต่กายกับวาจาเพียงอย่างเดียวก็ไม่ใช่มันก็อยู่ที่ใจด้วยแต่ในเบื้องต้นนี้ก็ให้รักษาที่กายที่วาจาก่อนเพราะเราไม่มีปัญญาที่จะเข้าไปถึงใจเราไม่สามารถไประงับที่ต้นเหตุได้คือความอยากที่ทําให้ใจของเราต้องทําแบบตา่างๆอย่างน้อยเราก็ม า, าระงับที่ปลายเหตุก่อก็คือมาห้ามไม่ให้ กระทำที่ไม่ถูกศีลนะไม่ให้กระทํำผิดศีลก็คือต้องบังคับว่าไม่ฆ่าไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดโกไม่เสียงชั่วรายอะไรแต่การแก้ที่ลายนี้มันจะแก้ไม่มีวันจบมันจะไม่มันจะล่องลอยไปเรื่อยๆถ้าอยากจะแก้อย่างจบก็อย่างที่บอกต้องเข้าไปถึงต้นเหตุก็คือความหลงที่ทําให้เราเกิดความอยาก พอเกิดความอยากเราก็จะทําบาปเพื่อที่เราจะได้สิ่งที่เราอยากได้แต่พอเรามีเข้าไปถึงใจเข้าไปถึงจิตเข้าไปถึงบ้านของกิเลสปัญหาเราก็ไปฆ่าตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เราต้องไปทําบาปก็ <c oughs> คือความอยาก <c oughs> พอเราทําลายความอยากได้เราก็จะไม่ต้องทําบาปต่อไป <c oughs> ถึงแบ่ง <c oughs> เป็นสามขันขั้นแรกเป็นขั้นของปุถุชน รักษาด้วยการสมาทานด้วยการหักข้ามจิตใจท่านของพระอริยะนี้ท่านเข้าไปทําลายต้นเหตุของการกระทำบาปก็คือตัณหาต้นเหตุของการของตัณหาก็คือความหลงโดยหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราถ้าถ้าปุถุชนเผลอเผลอใจอย่างเช่นเราโกรธเราไปชกไปบาดเขาแต่จะไม่ปานาติบาดอย่างเช่นชาบสาบแช่งเขาให้ไป ายที่ไหนก็ไปอย่างเงี้คคยครับคือทุสินไหมครับถ้าอยู่ในใจก็ยังถือว่าผิดสินเป็นบาปทางใจผมของบาปทางใจก็คือทาให้ใจเรารุ่มร้อนท่านะั้นแต่ยังไม่มีเวมมีกรนมครับผมครับ วันนี้มีคนคําถามน้อยอาจารย์ยรู้มากแล้วงมาฟังเกือบสิบปีแล้วมัอองอจนรู้หมดแล้วจะพูดอะไรเหยนห <c oughs> น้าป า, ากออกมา็รู้รรักอย่างมากเลยถามว่ามันเยอต้องทำาไหมกต่ทางขบางหนี้น ค่ะกลับเรียนท่าอาจารย์นะคะอตอนโยมเริ่มปฏิบัติใหม่ๆได้ไปทําบุญที่สวนแสงธรรมค่ะตอนนี้อ่าได้ไปถวายอาหารพระอาจารย์ซึ่งเป็นพระฝรั่งมาจากวัดป่าบ้านดาดตอนนี้คือจิตอยากจะลองดีกับพระอตอนถวายอาหารเสร็จนะคะพระท่านก็เราก็ถอยถอยมานั่งพระอาจารย์ท่านก็จับ น้ำผลไม้อะค่ะเป็นน้ำแอปเปิ้ลโยมก็อยากมีความรู้สึกก็อยากจะจะจะจะทราบว่าพระอาจารย์ท่านจะทราบหรือเปล่าก็เลยนึกในใจว่าเรานี่อยากอยากดื่มน้ำผลไม้ตอนนี้มากพระอาจารย์ท่านก็มองหน้าโยมทันทีหรือทันทีที่ท่านจับท่านก็พูดว่าพระกระโยมชอบอาหารเหมือนกันแล้วท่านก็ยิ้มยิ้มโยมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนติดค้างไม่ได้โขเข้ามาท่า น, นค่ะพอหลังจากนั้นคือไม่ได้เจอพระ ท่านเลยค่ะไม่ทราบว่าท่านกลับไปวัดตาบันตาหรือว่าไปที่ต่างประเทศแล้วค่ะตอนนี้คือจะทำยังไงใจไม่สบายค่ะเราต้องแก้ที่ตัวเราเองไม่ได้ไปการโดยขอธรอมะจากาท่านเพราะท่านไม่มี อ, อะไรกับเราแต่เรามันมีปัญหากับตัวเราเองก็คือความคิดของเราเราก็ต้องแก้ที่ตัวเราก็ต้องบอกว่าต่อไปนี้เราไม่ควรคิดอย่างนี้ <c oughs> ให้เรามีความสานึกค่ะ ถ้าเราอยากจะทําให้มันมีน้ําหนักก็หามาตรการลงโทษตัวเราเองเช่นไปอยู่จํำศีลปิดไม่เว้นสักเดือนคือครั้งที่คิดไม่ดีก็ลงโทษตัวเองจับไปขังคุกสักเดือนยอมเถอกึงก็จะได้ไม่กล้าใช่คะค่ะพระอาจารย์คะข้อที่สองนะคะตอนนี้ที่ปฏิบัตินี่มันจะมีในเรื่องของผัสสะอากาศที่มากระทบอยู่ตลอด บางครั้งก็จะใช้ในเรื่องของอ่าคือว่าสักแต่ว่านะคะแล้วก็อาจจะคิดว่าไม่มีความหมายอะไรคือปล่อยไปคือสําเร็จบางครั้งสําเร็จแต่ในบางครั้งนี้ใช้ในลักษณะของเรื่องของไตรักพิจารณาดูแล้วคือไตรักจะดีกว่ารู้สึกว่าจะจะจ ะ, จะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้เร็วขึ้นแต่ในขณะที่บางครั้งที่ภาษาที่กระทบตลอดเวลาคือมันจะปล่อยเวลาให้เราน้อยน้อยมากค่ะท่าน ตอนนี้คิดว่ากำลังของสมาธิจะน้อยลงไปใช่หรือเปล่าคะท่านถ้าเราตัดไม่ได้ก็แสดงว่ า, ถ, าถ้าไม่ใช่สมาธิก็ปัญญาถ้าปัญญาน้อยก็แสดงว่าไม่เห็นตายรักอย่างชัดเจนถ้าเห็นตายรักอย่างชัดเจนแต่ตัดไม่ได้ก็แสดงว่าสมาธิเราอาจจะมีกลังน้อยที่ในแต่ละครั้งนะท่านบางบางบางครั้งคือสาเร็จด้วย การใช้ใช้ค่ะการปล่อยวางนะคะแต่ในบางครั้งก็สําเร็จได้ได้ด้วยของการกดไจรักมันก็นจะสลับกั น, นกทำต่อไปหมายว่ามีการเราไปสอบครั้งนี้เราสอบตกเรวก็กลับมาทําการบ้านมาแล้วก็ลองกลับไปสอบมะแต่เคยทดสอบนะคะอาจารย์คือมีคนมาว่าเราตรงๆเลยว่ากระทบเป็นผู้ชายที่ตัวใหญ่มากจะเดินเข้ามาตกด้วยแต่ตอนนั้นจิตเรารู้สึกลรานิ่งมากเลยไม่ไม่รู้สึกโกรธไม่รู้สึกกลัวเลย ก็ก็ปล ch <À. S 2> ่อยเขาถะก็บอกเขาว่าจะตกก็เข้ามาเลยเขาก็ก็เกิดไม่ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะคะท่านก็เหมือนเหมือนการทดสอบตัวตัวเองก็จิตใจของเรามันก็บางทีไม่แน่เวลาใดที่เราตั้งใจนี้มันก็ผ่านเวลาใดที่เราไม่ได้ตั้งใจบางทีเจอเรื่องเล็กๆน้อยๆก็หลุดได้เหมือนกันคงั้นก็อยู่ที่สติของเราที่จะตั้งคอยตั้งรับเตรียมตัวรับกับทุกสิ่งทุกอย่างตลอดเวลา เราต้องไม่ประมาทเราต้องคิดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอไม่ใช่คิดว่ามันจะเกิดพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้ามันอาจจะเกิดตอนนี้หรือชั่วโมงหน้าก็ได้ให้เราต้องเตรียมตัวรับกับสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกันบเราให้ได้ซ้อมอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆสมมติอยู่เรื่อยๆว่าถ้าเราเดี๋ยวไปหาหมอแล้วหมอเขาบอกเป็นโรคอะไรขึ้นมา เราจะทำอย่างไรเราพร้อมที่จะรับกับความจริงได้ไหมเดินไปเกิดฟ้าผ่าลงมาตายถูกฟ้าผ่าตายตอนนั้นทำใจได้หรือไม่อะไรต่างๆเหนานี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะซ่อมอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆและพอเกิดเหตุการจริงขึ้นมามันก็จะปรานไปได้อย่างสบายขอบพระคุณค่ะ แล้วรบกวนถามว่าหลังจากสวดมนต์หรือทําบุญเสร็จแล้วอะค่ะการแผ่เมตตาด้วยจิตกับการกวดน้ํานี่ให้อา น, นิสงส์ต่างกันไหมคะเป็นการกระทำต่างกันคือการกวดน้ํานี่ก็คือเป็นการแบ่งบุญที่เราได้ทําไว้ให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วแต่เขาจะนิยมแบ่งบุญด้วยการทําทานไม่ได้แบ่งบุญด้วยการภาวนา เพราะการภาวนา t h i มันแบ่งไม่ได้ความสงบน h i ต้องของใครของมันต้องทํากันเองไม้นพระเจาก็แบ่งนิทานให้พวกเราแต่บุญที่เราแบ่งได้ก็คือบุญที่เกิดจากการทําทานแล้วก็เป็นบุญที่ผู้ที่ร่วงรับไปรับรับได้นี่ก็คือเรื่องของการอุทิศบุญส่วนการแผ่เมตตานี้ก็คืออย่างที่บอกเป็นการ สร้างความปรารถนาดีขึ้นมาภายในใจของเราให้แก่จัตประสาททั้งหลายแต่ในขณะที่เราอยู่คนเดียวหลังจากเราว่าถ้าสมมติว่าเราแผ่นนี้มนไม่ถือว่าเป็นการแผ่จริงเป็นการซ้อมเพราะการแผ่จริงจะต้องมีผู้รับเช่นผู้ที่ทําให้เราเกรดนี่เราต้องแต่เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจซ้อมไว้ก่อนสมมุติไว้ก่อนแล้ว สมมติคนนี้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาเพราะทําทให้เราโกรธเราจะให้ไปเขาได้หรือเปล่าอันนี้เป็นการซ้อมเวลาที่จะแผลจริงๆต้องเวลาที่เจอเหตุการณ์นั้นเช่นใครมาพูดมาด่าเราหรือมาทําอะไรให้กับเราต้องเสียใจเราให้ไปเขาได้หรือเปล่าหรือเราจะน้อมถ <c oughs> แต่การแตะการแตะตามที่เราทํากันนั้นก็เป็นเป็นการทําการบ้านต้องทําการบ้านก่อนถึงจะเข้าห้องสอบได้ถ้าไม่เตรียมตัวไว้ก่อนเวลาเข้าห้องสอบก็ไม่รู้จะทำทำตัวอย่างไรทําใจอย่างไรเวลาเจอคนที่เขาทําเรื่องทำราวให้เราต้องโกรธต้องเสีย อ, อกเสียใจเราก็จะทําไปตามอารมณ์ของเราก็คือเราจะโกรธแล้วเราก็ อานาดขยะบาร์แล้เราก็อาจจะไปพูดไปทําในสิ่งที่เสียหายทั้งกับเขาและกับเราต่อไปดังนั้นเราต้องซ้อมไว้ก่อนว่าในกรณีนี้เขาทําอย่างนี้เราจะทํำยังไงเราให้อภัยเป็นหรือเปล่าเรายอมได้หรือเปล่ายอมแพ้ได้หรือเปล่าหรือเราจะต้องชนะเสมอการาชนะนี้พระเจ้าก็บอกเราว่าชนะตรงดีกว่าชนะผู้เพราะชนะผู้อื่นก็จะเป็นเวรเป็นกรรมกัน แต่ถ้าชนะตนด้ทุกอย่างมันก็จดชนะตนก็คือชนะความเกิดชนะความลาทาาพยาบามพอเราไม่อาท่าพยาบามทุกอย่างก็จดเพราะด่าเราก็าผ่านไปแล้วเพราะทำร้ายเรามันก็ผ่านไปแล้วแต่ถ้าเราไม่จบเราไปว่าเขาไปทำร้ายเขากับเดี๋ยวเขาก็กลับมาทำร้ายเราต่างคนต่างฝ่ายก็ต่า ง, งาทำกันไปทากันมาเดี๋ยวก็ถึงกับฆ่ากันตายในที่สุด แล้วพอไปเกิดธาตหน้าพบหน้าเจอกันที่ไหนก็จองเวรจองกรรมกันต่อ mm hmm. ให้ใจอัปให้อภัยอเจริญเมตตาแล้วจองกรรมในเวรแบบงาก็จะหมดไป <c oughs> มีคำถามหไหม <c oughs> แ้วอันนี้ก็ที่ว่า หยุดเพลงท่นนะนี้ก็แล้วกันนะก็ขอให้ท่านจรงนำเอาเพ่นที่ท่านได้ยินได้ฟั่งในวันนี้อะไที่ได้ิจะราาไปปฏิบัติเพื่อความจเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งขึ้นไปเธอห<า><า>น้ า, าไปยไง่าลองภาวน ต้องสงบมากเตอนนั่งภานาไม่จิตต้องสวใหญ่ข้า ง, ง, งนั่ายงนั่งแล้วยังไม่สงบกเลจรงการตอบชื่อตรปปงนี้กเล ย, นะปปเลยจะไม่ยอมกรุกมังไม่ดีท่าหร่ น, น, นากยาง ทานั่นได้นานขึแสดงว่าเราเก้าวหน้ามไม่เคยนั่งได้นาที้นะครับ15ป20ก้าวหน้าคุไม่จะไม่ทํางมาลยคมยามากท่านอาจารย์ลูกขม่อูกเตามปอา้่ลูกเตามปัญหาปัญหาหนึ่งค่ะคือเคยเรียนให้ท่านอาจารย์ทราบว่าเวลาลูกฟัง ทำเนี่ยจิตมันเนี่ยมันมันมันมันจะเหมือนกับเข้าสมาธินะคะแล้วมันก็จะนิ่งไปแล้วก็ถ้าเราฟังเพื่อสมาธิก็ถ้าเราฟังเพื่อสมาธิก็ดีค่ะแล้วตอนนี้ฟังเพื่อบัญญายเราก็ต้องดึงมันให้ไม่ให้มันเข้าไปค่ะเราต้องพิจารณารมที่เราฟังด้วยค่ะแต่ตอนนี้บางครั้งมันไปอย่างนั้นนะคะแต่เวลาพอพอออกจากสมาธิปั๊บเนี่ยลูก พิจารณาปัญญาต่อเนี่ยมันไปต่อเรื่องนะคะท่านบาอาจารย์มันไม่มีมันไม่มีสิ่งที่มารบ ก, กวนก็ดีนั่นคื อ, ค, อคือเข้าสมาธิก็เหมือนกันใช่ไหมคะคือนั่นคือการเข้าสมาธิที่ลูกเข้าใจใช่ไหมคะไมเวลาเข้าสมาธิมันจะไม่พิจารณาไม่ค่ะไม่พิจารณาก็จะจะนิ่งค่ะพอออกจากสมาธิมาแล้วก็พิจารณาจะเป็นปัญญาค่ะคือแสดงแสดงว่าในช่วงที่ลูกนิ่งนั้นลูกลูกเข้าอยู่ในสมาธิใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ย ฟังแล้วมันฟังท่านพระอาจารย์แล้วมันหายไปหมดเลยคงหลับมากเพราะว่าพอตื่นขึ้นมาก็ออพอพอฟื้นขึ้นมาแล้วก็พิจารณาไม่ได้มันมันนั่นเพราะฉะนั้นลูกเข้าใจถูกต้องแล้วใช่ไหมคะคือถ้าหากว่าเราดูการว่าเราจะมีสมาธิหรือไม่นั้นดูจากการที่เราพิจารณาปัญญาว่ามันไปได้ไกลขนาดไหนฉะนั้นก็สวยแต่ขณะที่มีสมาธิเราต้องรู้รู้จะเป็นสมาธิถ้าไม่รู้ก็สแสดงว่าเราหลับง่าๆเค่ะขอบทุกคุณค่ะ เป็นงที่สงบดีมสงบสงบดีมากค่ะ <Okay. S 1> ท่านมแค่งาค่ะทาได้เป็นก่อเป็นกรรมก่ะท่าน อ, อยู่ที่นดเดนมากทำไม่ได้นะที่น่ น, นทำ ท, ำทำได้ระดับหนึ่งคะ่ะทาได้ระระดับหนึ่งออแต่ก็ไสงบมันอย่างนี้นะ มันก็ยังอยู่ในเมืองอยู่ใกล้อยู่ในเมืองอยู่กับสามีอยู่ใกล้กับตัวเังอยู่ใกล้กับค่ะค่ะเนี่ยแหละค่ะปัญหาสําคัญค่ะปัญหาสำคัญท่านใจไม่ได้บางทีเขาจะเปิดวิทยุเราไม่อยากบางบางทีเขาจะเปิดทีวีเราไม่อยากดูอะไแบบเนี้ยมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่แต่ถ้ายังยึติดต่อกัน นานๆนี่ได้เป็นกอะเป็นกรล้วก็ท่านอาจารย์เพราะเพราะเพราะจิตมันตื่นอยู่ตลอดตื่นไม่ได้